รวมความว่าวิมุตต์ที่จะเป็นความหลุดพ้นเด็ดขาดให้เข้าถึงนิพพานอย่างแท้จริงต้องจบลงด้วยปัญญาวิมุตต์จึงจะทำให้เจโตวิมุตต์ซึ่งไม่ว่าจะเกิดมีมาก่อนนานแล้วก็ดีเกิดขึ้นแล้วแต่กลับเสื่อมไปและกลับได้ใหม่อีกแล้วแล้วเล่าเล่าก็ดีหรือเจโตวิมุตต์ที่ได้พร้อมๆกับปัญญาวิมุตินั้นโดยฐานเป็นบาสให้แก่ปัญญาวิมุตตก็ดีกลายเป็นอกุ ป, ปาเจโตวิมุต คือเจโตวิมุตต์ที่ไม่กลับเสื่อมได้อีกหรือเรียกสั้นๆก็ได้ว่าอากุปปาวิมุตต์คือวิมุตต์ที่ไม่กำเริบเพราะกำจัดเหตุปัจจัยที่จะทําให้กำเริบคืออาสะวะทั้งหลายได้แล้วนอกจากจะไม่กำเริบแล้วยังไม่เปิดช่องให้เกิดโทษข้อเสียหายทั้งแก่ตนและคนอื่นอีกด้วยคือจะไม่เกิดการติดหรือหลงเพลินอย่างหนึ่งและจะไม่นําเอาผลพลอยได้ที่พ่วงมากับเจโตวิมุตต์ คือโลกิยะอภิญยาไปใช้ในทางที่ผิดเพื่อสนองความต้องการของตนทําให้มีการใช้ประโยชน์จากเจโตวิมุตต์อย่างดีที่สุดภาวะอย่างนี้ก็คือการมีทั้งเจโตวิมุตต์และปัญญาวิมุตต์เป็นคู่กันซึ่งท่านกล่าวถึงอยู่เสมอว่าเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันเป็นที่ซึ่งบาปอากุศลธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วดับไปหมดไม่เหลือเลยอกุปาเจโตวิมุตต์อย่างนี้ คือเจโตวิมุตติที่มีปัญญาวิมุตติร่วมด้วยแล้วนี่เองที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นแก่นและเป็นจุดหมายของพระพุทธศาสนาดังในมหาสาโรปมสูตรมัชฌิมานิกายมูลปัณนาตมีพุทธพจน์ว่าภิกษุทั้งหลายข้อที่ภิกษุจะพึงเสื่อมจากอสมะยะวิมุต t นั้นเป็นไปไม่ได้ไม่มีโอกาสเลยภิกษุทั้งหลาย โด ย, น, ยนัยยะฉนิแหล่พรหมจรรย์คือศาสนานี้มิใช่มีลาบสการะและชื่อเสียงเป็นอานิสง์มิใช่มีศีลสัมปทาคือความถึงพร้อมแห่งศีลเป็นอานิสง์มิใช่มีสมาธิสัมปทาคือความถึงพร้อมแห่งสมาธิเป็นอานิสง์มิใช่มีญาทัทสนะเป็นอานิสง์แต่พรหมจรรย์ น, นี้มีอกุปาเจโตวิมุตเป็นประโยชน์ เป็นแก่นเป็นจุดหมายพระสูตรนี้แสดงให้เห็นด้วยว่าบุคคลอาจมัวเมาในลาบสการะชื่อเสียงในศีลสัมปทาในสมาธิสัมปทาและในญานณทัศนะแล้วก็เลยติดอยู่ไม่ก้าวหน้าไปถึงอากุปปาเจโตวิมุตต์นอกจากนี้ในสัพ ป, ปริ ส, สูตรมัชฌิมานิกายอุปริปันธาพระพุทธเจ้าตรัสสอนว่า ผู้ที่มีคุณสมบัติพิเศษเช่นมีลาบมีชื่อเสียงเป็นพระสูตรเป็นธรรมกถึกหรือได้ประพฤติความดีพิเศษเช่นถือทุดงอยู่ป่าถือผ้าบางสุกุลอยู่รุกขมูลเป็นต้นตลอดจนได้ฌานตั้งแต่ปฐมฌานจนถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะสมาบัติหากเกิดความรู้สึกภูมิลำพองใจว่าเราได้เราเป็นอย่างนี้ พระอื่นๆเหล่านี้ไม่ได้ไม่เป็นอย่างนี้เกิดอาการยกตนข่มผู้อื่นแล้วก็เป็นอสสัตว์บรุษทั้งสิน้นพึงเทียบคำสอนในวังสสูตรอังคุตระนิกายจตุกนิบาตซึ่งตรัสสอนว่าภิกษุผู้ตั้งอยู่ในอริยวงเป็นผู้สันโดษ ด, ด้วยจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและยินดีในการเจริญภาวนาแต่จะไม่ถือเอาุลความดีเหล่านี้ มาเป็นเหตุยกตนของผู้อื่นเลย